มีคำถามหนึ่งนะซึ่งอาตมาได้ฟังอยู่บ่อยๆนะโดยเพพาะในระยะหลังนั่นก็คือคนเราจาเป็นต้องมีศาสนาหรือเปล่าคำถามนี้เนี่ยสำหรับคนจำนวนมากรือเพพาะคนที่มีอายุซึ่งอาจจะรวมถึงพระสงฆ์ด้วยเนี่ย ฉันรู้ว่าเป็นคำถามที่แปลกหรือว่าเป็นคำถามที่ไม่น่าถามมันคล้ายๆกับถามว่าเนี่ยคนเราจะเป็นต้องกินอาหารหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ก็มีคนที่สงสัยแบบนี้เยอะแล้วก็จำนวนมากนี่ก็เป็นคนหนุ่มคนสาว ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดหรือเติบโตมาในสังคมที่มีความน่นแฟ้นในเรื่องศาสนาไม่เหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายหรือคนรุ่นเรานะซึ่ง อาจจะเติบโตมาจากหรือเติบโตมากับสิ่งแวดล้อมที่มีศาสนาเป็นส่วนสำคัญหรือเป็นสิ่งยึดเหนีย่ยวยัาคาจจเติบโตมาจากการที่แม่หรือยายพาเข้าวัดพาไปทำบุญพาไปสวดมนต์ พอเติบโตแบบนี้อย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันศาสนานี่มันเป็นของที่จำเป็นอยู่แล้วนะหรือไม่ต้องตั้งคำถามอะไรมาก อ, อันนี้ถามคำถามที่ว่าคนเราจะเป็นต้องมีศาสนาหรือไม่เนี่ยนะ ก่อนจะตอบเนี่ยก็ต้องถามสั ก, ก่อนว่าจําเป็นสําหรับอะไรคำว่าจําเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็น ล, ยลอยๆนะเมื่ต้องถามว่าจําเป็นสําหรับอะไรถ้าถามว่าจําเป็นสําหรับการเป็นคนดีมีคุณธรรมไหมก็ตอบว่าไม่จําเป็น พอเก็เห็นอยู่ว่าเนี่ยคนที่ไม่นับถือศาสนาจำนวนมากเลยนะก็เป็นคนดีมีคุณธรรมบางคนเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้สมาทานศีลนีแต่ว่าเขาก็มีวิถีชีวิตเนี่ยสอดคล้องนะกับศีล5แล้วก็แถมยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจ ในการที่คนที่มีศาสนาจำนวนไม่น้อยเนี่ยกับไม่ใช่คนดีหรือไม่มีคุณธรรมไม่ต้องดูอะไรอื่นนะคนที่อยู่ในคุกเนี่ยพอโดนข้อหาทุจริตคดโกงคอร์รัปชันหรือฆ่าคนตายเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะหรืออาจจะเรียกว่า แ0ก็ารเนี่ยก็ล้วนบอกว่าตัวเองมีศาสนาถ่าเป็นศาสนาพุทธซะด้วยนะลองไปถามคนในคุกเนี่ยนะเอาจำเพาะที่ว่าไม่ได้ถูกยัดข้อหานะประเภทว่าทำจริงๆนะตามข้อกล่าวหานี่ก็ส่วนใหญ่ก็มีศาสนาะหรือว่านับถือศาสนา นก็เจอไม่เยอะนะคนที่ไม่ได้ถือศาสนาเนี่ยแต่ว่าเป็นคนที่มีน้ำใจมากแล้วก็เห็นนะหลายคนที่เป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือคนยากคนจนแม้กระทั่งไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ตกรลกรรมลำบากหลายคนก็มีวิสศาสนาบางคนก็ เห็นคุณค่าของชีวิตสัตว์มากถึงขั้นกินมังสวิรัตเลยเพราะว่าไม่อยากมีส่วนร่วมในการทำให้สัตวนะ์ต้องล้มตายซึ่งจะว่าไปแล้วก็ถือว่าเคร่งกว่าชาวพุทธจำนวนมากนะที่แม้ว่าจะถือศีลข้อที่หนึ่งแต่ว่าก็ไม่รู้สึกอะไรนะกับการกินเนื้อสัตว์ คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่มีาศาสนาแต่ว่าเขาก็อุทิศตัวเพื่อส่วนรวมนะคนที่อุทิศตัวเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปล่าประกาศด้วยคนรู้ว่าเนี่ยโลกกำลังเกิดวิกฤตเนี่ยกจ็จำนวนมากเลยเนี่ยไม่มีาศาสนาแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ใช่คนดี ในทางตรงข้ามนะคนที่มีศาสนาเข้าวัดทาบุญแต่ว่าแรงน้ำใจนี่ก็เจอเยอะนะทำบุญถวายเงินให้กับวัดเยอะๆแต่ว่าเอาเปรียบลูกน้องมีบางรายนะถึงวันสิ้นปี31ทธันวาเนี่ยทั้งที่เป็นวันเสาร์นะ กับไม่ยอมให้ลูกน้องหยุดงานทั้งที่เป็น31ธันวาแล้วก็เป็นวันเสาร์นะไม่ให้ลูกน้องหยุดงานเฉพาะวันที่หนึ่งมกราวันเดียววันที่สองวันจันทร์ซึ่งก็เป็นวันหยุดชดเชยนะไม่ยอมให้ลูกน้องหยุดทั้งที่เป็นโอกาสที่เขาจะกลับไปหาพ่อแม่กลับไปมีเวลาให้กับลูกพาลูกไปเที่ยว ท่นที่เป็นคนที่เข้าวัดทมบุญเยอะนะแต่ว่าไม่มีน้ำใจแม้กระทั่งเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยยังไม่ต้พูดถึงการกดค่าแรงนันะถามว่าเนี่ยศาสนาจำเป็นไม่สําหรับการเป็นคนดีมีคุณธรรมเนี่ยมันก็ตอบได้ว่าไม่จำเป็นน ะ, นะคนบางคนนี่ร่ำรวยมาก แต่ว่าก็ยกทรัพย์สินนี่บริจาคให้กับสาธารณณะนะถึง 90% ซนะบางทีไม่ยอมยกมรดกให้กับลูกเลยด้วยซ้ำนะให้ลูกไปหากินเองเพราะว่ามรดกนี่มันทำให้ลูกเนี่ยเสียผู้เสียคนพวกนี้ถ้าสือสาอย่างจริงก็พะว่าเขาไม่มีาศาสนานะแต่ว่าเขาไม่มีความหวงแหนตันหนี บริจาคเงิน 90% เปให้กับส่วนรวมให้กับสาธารณะแล้วถามว่าศาสนาจำเป็นไหมสำหรับการมีชีวิตที่เจริญงอกงามมีความสุขนะมันก็ไม่จำเป็นอีกเหมือนกันนะเพราะว่าคนหลายคนเนี่ยที่เขามีชีวิตที่ดีงาม ไม่ใช่แค่เป็นคนดีมีคุณธรรมแต่เขาก็มีความสุขเนะขาไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัตินะเขามีความเอื้อเฟื้อเบิกแปรก็รู้จักปล่อยรู้จักวางมันก็มีนะแม้กระทั่งกับคนที่เขไม่นั่งถนะือศาสนาแต่ว่าการกระทําบางอย่างของเขาเนี่ยรวมทั้งการไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัตนะิมันก็ไม่ต่างจากคน ที่นับถือพุทธอย่างจริงจังให้ถามว่าศาสนาจำเป็นไหมส ร, รการฝึกจิตให้มีคุณภาพเนี่ยนะเพราะว่าเราก็มักจะพูดว่าเนี่ยอย่างเช่นพุทธศาสนาเนี่ยนะก็เป็นศาสนาที่เป็นระบบปฏิบัตินะที่ให้ความสำคัญกับการฝึกจิตไม่ใช่แค่ทำความดีอย่างเดียวแต่ว่าฝึกจิตให้พ่องแท่าบริสุทธิ์ นะหรือว่าสว่างสวัยมันก็ไม่จำเป็นเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าคนไม่มีคุณธรรมที่ไม่สนใจสมาธิภาวนาน ะ, ะไม่ว่าคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยจะไม่สนใจสมาธิภาวนานะอย่างคนที่ไปปฏิบัติกับสานักของท่านโกเอนก้าหรือแม้จะไปปฏิบัติกับสายของ ท่านติดนัดหันเนี่ยนะหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้นับถือพุทธนะแล้วก็ไม่นับถือศาสนาแต่ก็เห็นคุณค่าของการฝึกปฏิบัติฝึกจิตนะวิปัสสนาเนี่ยเป็นเรียกว่าลักษณะเด่นของการปฏิบัติของสำนักของท่านโกเองกายอ้ยจานวนมากเลยนะไมไ่นับถือศาสนาเลยแต่เขารู้ว่าการ ฝึกจิตนะการเจริญสติเป็นสิ่งสำคัญคนนับถือาศาสนาด้วยซ้ำนะกับไม่สนใจเนะี่ยชาวพุทธจำนวนมากไม่สนใจเลยนะการฝึกวิปัสสนานะของสำนักท่านกวเอก้าหรือสําำนักอื่นๆเนี่ยพวกนี้เขาไม่นับถือาศาสนาแต่ไม่ไหมายพวามว่เขาไม่ได้สนใจเรื่องของจิตวิญญาณไม่ได้สนใจเรื่องของการฝึกจิต เพียงแต่ว่าเขาไม่ผูกติดอยู่กับศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเพราะการผูกติดกับเรื่องของพิธีกรรมซึ่งเป็นลักษณะเด่นนะของศาสนาที่คนยึดถือในปัจจุบันแม้กระทั่งการพ้นทุกข์นะถามว่าจําเป็นไหมศาสนาจําเป็นไหมอัตมาว่าไม่จําเป็นนะศาสนาไม่จําเป็นสําหรับการพ้นทุกข์เสมอไป ตรงตรงนี้ควรจะเถียงนะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหนทางสู่การพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแต่ถ้าเรายอ้อนไปดูสมัยพุทธกาลนะพระริยะหลายท่านเนี่ยท่านไม่ได้พื้นเพยเดิมท่านไม่ได้สนใจศาสนาหรือว่านับถือศาสนาแม้กระทั่งศาสนาพุทธเลยนะอย่าง ภาษาบุตรเนี่ยสมัยที่เป็นขลุ่หัดชื่ออุปติสสะเนี่ยนับถือลทัทธิอื่นได้ซ้ำนะสัญชัยปริพาชคมี่เป็นอาจารย์ของอุปติสสะท่านไม่รู้จักพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ได้นับถือพุทธตามความเข้าใจหรือตามความหมายคนสมัยนี้แต่ว่าพอท่านเห็นพระสัชิเดินมาอย่างสงบสสารวม ท่านก็ประทับใจแล้วก็สะดุดใจแล้วก็ถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านพระสัจจร์ก็ตอบพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของท่านแล้วถ้าเะนั้นพูะเจ้าสอนว่าอะไรอุปติสสะมาน์ถามพระสัจจีร์ก็ตอบว่าเนี่ยทำใดเกิด ต, เต่เหตุพระธรรมคดีการถึงแห่งธรรมและความดลับแห่งธรรมนั้น นี่เป็นคำสอนของพระมหาสมณะเท่านี้และนะอุปติสาวรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทั้งที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนามา ก, ก่อนแล้วก็ไม่รู้จักพระรัตนตรัยด้วยไม่ใช่แค่โสดาบันนะพระรหันนี่้ก็มีหลายท่านเลยนะที่บรรลุอรัตผลเนี่ยทั้งที่ไม่ได้นับถือศาสนาหรือนับถือศาสนาพุทธ อย่างสันสติอัมมาตเนี่ยนะเสียคนรักล้มขาดใจตายต่อหน้าเนี่ยขที่ร่ายรำหรือร้องรำทำเพลงเศร้าเสียใจมากที่เคยเมาหนี่สางเมาเลยไม่รู้จะไปพึ่งใครนะก็นึกถึงพระพุทธเจ้าที่พบตอนเช้าด้วยความบังเอิญก็เลยเดินไปหาพระุทธเจ้าน ที่เชต ว, วันคระเจ้าแสดงธรรมนสั้นๆนะว่าเนี่ยกิเลสเครื่องเศร้าหมองในการก่อนคอยทำทำให้เกิดแท่งหายไปกิเลสในภายภาคหน้าก็อย่าให้มีแล้วท่านก็ตัดต่อไปว่าเนี่ยถ้าไม่ยึดติดในขันนะท่านก็จะเป็นผู้สงบระงับเท่า น, นี้แลลวนะสัตติ เกิดปัญญาขึ้นมาเยรู้เลยว่าเนี่ยที่เศร้าเพราะยึดติดในขันท่าหรือยึดติดถือมั่นนะในคนรักไม่รู้ทาเป็นภ้าละหันเลยทั้งที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็ยังเมาอยู่เลยศีลห้าก็ไม่ครบนะแล้วก็พรัรตนาตรายก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาในความหมายที่เราเข้าใจปัจจุบัน มีเยอะเลยนะพยา ศ, ายศาะยศะกุลบุตรก็เหมือนกันนะไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาแต่ว่าพอได้มาฟังธรรมหลวพุทธเจ้าเนี่ย่ครวนด้วยปัญญาก็เห็นธรรมทีแรกก็เป็นพระโสดาบันก่อนต่อหลังเป็นพระอรหันต์เลยตัวอย่างบบ น, นี้มันเชี่อเห็นนะว่าศาสนาหรือแม้กระทั่งพุทธศาสนาก็ไม่ได้จาเป็นสราการบรรลุธรรม นะแต่ว่าไม่ได้บัคคาว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยท่านไม่ได้บรรลุธรรมเพราะว่าคําสอนอื่นนะท่านก็บรรลุธรรมก็เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอะไรเล ย, ยงั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะก็จะพบว่าเนี่ยศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็นนะ สรการเป็นคนดีมีคุณธรรมหรือการฝึกจิตแต่ถ้าว่านับถือศาสนาเป็นเนี่ยนะเดยพุทธศาสนานี่มันช่วยนะนะแต่คนจนไม่น้อยเนี่ยนับถือพุทธศาสนาแต่นับถือไม่ถูกต้องก็เลยหลงทางมีชาวพู้จ น, นมากที่แมนับถือพุทธศาสนาแต่ว่างม ง, งาย หลงไหลในไสยศาสตร์พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่รู้จักแก้ทุกขด้วยตัวเองหรือจากก็นั่นคือนับถือเงินเป็นสารณะเงี้ยเวลาพระจะให้พรก็ขอให้ก็จะชอบมากเลยนะทำให้พรที่ว่ารวยรวยรวยเดี๋ยวนี้พระหลายท่านเลยนะ เวลาจะให้พรโยมนี่ก็ต้องบอกว่าเนี่ยขอให้รวยรวยรวยให้พอรอย่างอื่นนี่ ท, ที่โยมไม่ชอบนะทั้งที่โยมก็บอกว่าเป็นชาวพุทธแต่คันเรื่องแบบนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใคร่ควรจริงจังเท่าไหร่นะพอไม่ได้ใคร่ควรจริงจังเนี่ยพอมีลูกมีหลานคนรุ่นใหม่เขาถามว่าจำเป็นต้องมีาศาสนาไหม บางทีพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ตกใจนะหรือว่าไม่พอใจหรือว่าคิดว่าลูกเราหลานเรานี่เครียนแล้วนะหรือว่าจะกลายเป็นคนชั่วใ น, นที่ตกใจเนเพราะว่าไปเข้าใจว่าถ้าไม่มีาศาสนาก็หมายถึงเป็นคนไม่ดี แต่มไม่ใช่อะสมัยนี้นนการที่เป็นคนดีมีคุณธรรมนี่เขาก็มีฐานคิดที่แตกต่างกันบางคนก็มีฐานคิดในเรื่องของสิทธิเขาก็เลยเห็นว่าคนเราไม่ควรจะเบียดเบียนกันเพราะนั่นคือการละเมิดสิทธิอย่าว่าแต่ละเมิดสิทธิมนุษย์เลยนะละเมิดสิทธิสัตว์เนี่ยก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ย จะกินเนื้อสัตว์จอาสัตว์มาทรมานหรือกักขังในกรงสวนสัตว์หรือเอาช้างมามาอาบน้ําให้กับนักท่องเที่ยวเขาก็เห็นว่านี่เป็นการทรมนทานสัตว์ก็เลยเรียกร้องว่ายอย่าไปทําอย่างนั้นนะคนเหล่านี้เขาก็ไม่ในอาศัยหลักทางด้านศาสนานะแต่อาศัยความคิดในเรื่องของสิทธินะ์ ซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีความคิดที่หลากหลายที่รองรับการทำความดีการมีคุณธรรมของผู้คนนะเพียงแต่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็นะมีพื้นฐานรองรับในเรื่องนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราใคร่ควรวญดีก็จะเกิดประโยชน์มากในคำถามแบบนี้แล้วเนี่ยนะไม่มีคติทานนะ สำหรัคนที่นับถือศาสนาเช่นพุทธศาสนาแล้วบางทีก็มีความสงสัยว่าจําเป็นต้องสวดมนต์ไหมจําเป็นต้องสวดมนต์ไหมก็ไม่จําเป็นอีกเหมือนกันถามว่าสวดมนต์เพื่ออะไรเนะีเราสวดมนต์เพื่อพิจารณาข้อธรรมโดยพระพุทธภาษิตแต่บางทีก็ไม่เข้าใจเพราะว่าสวดเป็นภาษาบาลี ในกรณีอย่างนี้ก็คือสวดมนต์ก็เพื่อทำให้ใจสงบไม่ฟุ้งซ่านะเพื่อฝึกเพื่อเจริญสติสมาธิแต่มงคลก็หวังเอาความศักดิ์สิทธิ์นะว่าถ้าสวดบทนี้บทนั้นแล้วมันจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดสริมงคลอันนี้มันก็เลยนะนะเป็นความหลงงมงายอีกแบบหนึง่ง ถ้าว่าจะต้องการนะให้ใจสงบเป็นสมาธิหรือว่าเกิดปัญญาไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้มันมีวิธีอื่นนะที่จะทำให้เกิดสติสมาธิและปัญญาเพียงแต่ว่าการสวดมนต์นี่ก็ช่วยนะมีประโยชน์หลายอย่างแต่ถามว่าจำเป็นนะก็ไม่จำเป็นบางทีเราก็ต้องแยกนะลองคำว่าประโยชน์กับจำเป็นนะนะ สิ่งที่มีประโยชน์อาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นนะและการโฉมมันก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นด้วสมัยพุทธกาลนี้ก็ไม่มีการสวดมนต์และที่จริงสำนักปฏิบัติหลายแห่งเนี่ยหรือวัดป่าหลายสำนักเนี่ยไม่มีการสวดมนต์นนะพน้นการปฏิบัติให้คนไปปฏิบัติกันเองอันนี้เรื่องการภาวนามากกว่า บางทีก็มีคำถามว่าเนี่ยนับถือพุทธศาสนาแล้วจำเป็นต้องเข้าวัดไหมไม่เข้าวัดนี่ได้ไหมบาปไหมนะมันก็มีคนถามแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุดไปนะที่เขาก็ไม่ได้มีความศรัทธาหรือว่ารู้สึกดื่มดํำนะกับการเข้าวัด เขาดับถือพุทศาสนาแต่เานาับถือในความเป็นเหตุเป็นผลก็เลยสงสารว่าต้องเข้าวัดมเพราะว่าการเข้าวัดเนี่ยสหรับคนจนวนมากมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมที่จริงก็ไม่จาเป็นนะเพราะว่าศาสนานี่มนไม่มไม่ได้ที่วัดศาสนามนไม่ผูกขาดโดยวัดศาสนานี่มันอยู่ที่การปฏิบัติ หรือถ้าพูดถูกต้องคือาสาสมอยู่ที่ใจนะอยู่ที่กายวาจาใจนะทำกายวาจาให้ดีนะมีจิตผ่องแผ้วก็มีเป็นน้องเข้าวัดก็ได้เป็นอย่ ก, การเข้าวัดเนี่ยสำหรับหลายคนมันช่วยนะเพราะว่าวัดนี่เป็นที่ร่มรื่นเป็นรมณีเป็นสถานรมณีแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีกัละยะาณมิตร ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรบางคนต้องต้องดูแลพ่อแม่บางคนก็มีภาระที่บ้านต้องดูแลลูกมีบางคนนะเขาบอกว่าเนี่ยตั้งใจอยากจะมาปฏิบัติสักหวันเจ็ดวันนะแต่มาไม่ได้เลยเพราะว่าภาระเยอะถามว่าบาปไหมแบบนี้ก็มีนะสงสัยว่าบาปไหม ตั้งใจว่าจะมาแล้วมาไม่ได้มันจะบาปตรงไหนนะในเมื่อเรามีกิจจำเป็นนะที่จริงการดูแลพ่อแม่ซึ่งเปรียบเส ม, มือนพระอรหันต์ในบ้านเนี่ยมันกลับได้บุญนะแล้วก็อาจจะได้บุญยิ่งกว่าการมาวัดแล้วก็ดูแลเพาะดูแลแล้วก็มาทำบุญถวายสังฆทานแต่ว่ากลับทอดทิ้งพ่อแม่ เดีย๋ยวนี้มันจะมีคำถามแปลกๆอยู่เรื่อยๆนะเนื่อจากคนรุ่นใหม่ซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยก็จะต้องทาความเข้าใจนะว่าของพวกนี้เนี่ยมันถามกันได้เพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้หลงของเขาไม่ได้ท้าทายแต่เขามีความสงสัยจริงๆแล้วความสงสัยเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เขามีความคิดแปลกๆในสายตาของเราเช่นบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ย การที่พ่อแม่เนี่ยให้กาเนิดเราโดยที่เราไม่ได้ยินยอมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะมีบางคนเนี่ยจึงกับฟ้องพ่อแม่เนี่ยข้อหาว่าให้กาเนิดลูกหรือให้กาเนิดตัวเองโดยที่ไม่ได้รับคำยินยอมจากตัวเองแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพ่อแม่เนี่ยบาปมากเลยนะที่เขาโทษพ่อแม่นะว่าให้กำเนิดเข้ามาแล้วเนี่ยทให้เขาเจอความทุกข์ เจอความทุกสารพัดเลยนะตั้งแต่ทุกในการเรียนทุกในการทามาหากินแล้วก็เจอทุกเพราะประสบความพลาดผิดหวังไอ้ความทุกเหล่านี้ทำให้เขาเนี่ยเห็นว่าพ่อแม่ต้องรับผิดชอบก็เลยฟ้องเลยนะแบบนี้ก็มีบางทีเจอแบบนี้เราไม่ใช่ต้องปนน้ำนะอย่าไปมันไม่มีเหตุผลไม่จงเป็นต้องไปปนน้ำว่าทำไมถึงเธอทำแบบนี้ แต่ว่าถ้าอธิบายด้วยเหตุด้วยผลอาจจะดีกว่าเช่นอาจจะพูดว่าเนี่ยในเวลาที่เธอมีความทุกเนี่ยเธอโทษเธอโทษพ่อแม่ว่าทำให้เธอเกิดมาและตอนที่เธอมีความสุขเ่เธอเคยนึกถึงพ่อแม่ไหมว่าเป็นพ่อพ่อแม่ให้เธอเกิดมาเธอจึงมีความสุขในเวลามีความสุขนี่ไม่ได้ขอบคุณพ่อแม่เลย แต่เวลามีความทุกนิโทษพ่อแม่มันก็แปลกนะอันนี้เราว่าสองมาตรฐานเวลาเราคุยกับคนรุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยมายช่วยทำให้เขาได้คิดก็ได้แทนที่จะไปว่าเขาวันนี้เราคุณอากตันดูไม่มีประโยชน์นะแต่ถ้าเราพยายามชี้ว่าไอ้ที่เขาคิดเนี่ยมันเกิดจากตา ก, กะที่วิบัตินะ เวลาสุขเนี่ไม่ได้ตึ้งถึงพ่อแม่แต่เวลาทุกข์นี่โทษพ่อแม่แต่เมื่อก็น่าคิดนะคนสมัยนี้เนี่ยเวลามีความทุกข์เนี่ยแทนที่จะมองว่าเอ้ยเราวางจิตวางใจผิดไหมเราปฏิบัติผิดไหมกลับไปโทษพ่อแม่หรือไปโทษคนอื่นเดี๋ยวนี้คนคิดแบบนี้เยอะเลยนะแทนที่จะกลับมาดูตัวเองนี่กลับไปโทษว่าคนนั้นคนนี้เป็นสาเหตุ เดีย๋ยนี้นักเรียนนักศึกษาจนวนไม่น้อยนะเวลาสอบแล้วได้เกรดต่ำนะแทนที่จะโทษตัวเองเนี่ยไม่ค่อยขยันเรียนหรือว่าเอาใจใส่ในการเรียนน้อยเนี่ยกับโทษครูบาอาจารยนะ์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยหมหาวิทยาลัยหนึ่งในนิวยอร์กเนี่ยเขาศึกษาเนี่ยรวมหัวกันนะ ทำจดหมายร้องเรียนเพื่อให้ปลดอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์คนนี้แกสอนเคมีและแกะให้เกรดเนี่ยยากมากนะานักศึกษาจานวนไม่น้อยเนี่ยไม่พอใจที่ได้เกรดตำ่ำ <c oughs> ก็เลยรวมหัวกันนะหนึ่งในสี่ของห้องเนี่ยนะประมาณ8ดจุดกว่าคนทำจดหมายไปที่ฝ่ายบริาาาหารมหาวิทยาลัยเนี่ย เพื่อให้ปลดอาจารย์คนนี้ชื่อมีคนมีชื่อเสียงด้วยบอกว่าฝ่ายบริหารนี่ทําตามนะปลดอาจารย์คนนี้ข้อหาว่านะให้เกลียดหินเกินไปนเวลานักศึกษา ห, หรือนักเรียนเนี่ยได้คะแนนต่ำเนี่ยนะมันควรจะมองมาที่ตัวเองว่าเป็นเพราะเอาใจใส่น้อยไปหรือเปล่านะหรือว่า ตั้งใจเรียนน้อยไปไหมแต่เดี๋ยวนี้กลับมองว่าเป็นเพราะอาจารย์เนี่ยให้เกรดต่ำไปอาการอาจารย์ให้เกรดหินวันนั้นเนี่ยทาไงถึงจะเรียนได้เกรดดีขึ้นก็ต้องปลดอาจารย์คนนี้ไปนี่มันก็เป็นความคิดของคนจำนวนมากในเวลานี้นะก็คือว่าเวลามีความทุกข์หรือว่ามี ปัญหาในการเรียนเนี่ยแทนที่จะมองมาที่ตัวเองแทนที่จะมองมสมุทรไทยอยู่ที่ตัวเองก็ไปมองว่าคนอื่นคือสาเหตุเช่นพ่อแม่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ของตัวหรือครูบาอาจารย์ทาให้ผลการเรียนตัวเองตกต่ำนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันกลายเป็นยุคสมัยไปซะแล้วซึ่งเราก็ต้องเข้าใจนะเราก็ต้องพยายามที่จะ ชี้แจงและที่จริงมันก็ไม่ใช่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้คนคนผู้ใหญ่ก็เป็นกันนะโทษข้างนอกโทษสิ่งนอกตัวเพราะว่ามันยากที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองอันนี้แหละนะจริงๆพุทธศาสนาช่วยได้นะเพราะว่าท่านสอนให้กลับมามองตัว แล้วกลับมาตระหนักว่าเนี่ยสมุทัยแห่งทุกข์เนี่ยมันมีที่ไหนที่ใจของตัวไม่ต้องแก้คนอื่นแก้ที่ตัวเอง <Yeah. S 1> ความทุกข์มันไม่ได้เกิดเพราะพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาแต่เป็นเพราะเราวางใจไม่เป็นเองอท่านให้โอกาสเรามาแล้วในการให้ชีวิตให้กำเนิดเราก็สามารถใช้ชีวิตแล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้มาเพื่ อ, อรู้จักสร้างสุขหรือว่ารู้จักแก้ทุกข์ด้วยตัวเองได้ ก็เพราะวิถีนี่แนหะที่จะทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามความทุกข์ได้เพออาราะอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านไม่เกิดมาเพราะการให้กําเนิดพ่อแม่เนี่ยก็คงได้มีโอกาสไม่มีโอกาสที่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงนี่คือโอกาสที่ชีวิตเนี่ยว่าให้กับเราซึ่งในงานเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณพ่อแม่นะที่ให้โอกาสที่มีค่านี้แก่เรา